รวมชาติพุทธศาสาตร์รวมใจหนึ่งเดียวนันใสพระไตรรัทไทยชีวีปฏิบัติธรรมลำเลิศประเสริฐเพราะสูนแห่งนี้เป็นที่ทำนานสูงส่งเติมพระพุทธศาสนา ทศาศาสนา